ในวัดที่เราไปบ่อยๆมีตุ่มน้ำมนขนาดตุ่มอาบน้ำธรรมดาธรรมดาสูงประมาณเมตรกว่าปกติแล้วพระอาจารย์ท่านจะเอาไม้ปิดไว้เพื่อไม่ให้หมดมแมลงหรือเศษใบไม้ดอกไม้ปลิวลงไปทำความสกปกรกตัวน้ำม น, นี้ท่านมักใช้อาบให้กับญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็มักจะมาขอความเมตตาแบ่งไปใช้กันเองที่บ้านบ้าง วันนั้นที่ได้ไปวัดกลับเสดึกไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการนั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์และลูกศิษย์คนอื่นที่มาพร้อมกันเพียงสองสามคนเท่านั้นคุยไปคุยมาก็ออกทะเลไปเรื่องลึกลับอีกนั่นแหละหนึ่งในเรื่องลึกลับที่คุยกันก็คือเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนื่องจากจูจูคิดอะไรก็ไม่รู้เดินไปหยิบขวดน้ําเปล่าในรถเพื่อเอามาใส่น้ำมนต์แล้วไปเจอกําไรสำลิดขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่ในก้นองค์ พระอาจารย์หรือที่เรามักเรียกติดปากว่าหลวงพี่ท่ละว่าเมื่อก่อนได้กำไรสำลิ์มาก็ปนเอาไปรวมกับมวลสารเวลาสร้างวัตถุมงคลแจกญาติโยมตลอดจนวันหนึ่งอาจารย์ของท่านจึงทักว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของกำไรเอาไปปนมั่วซั่วเสียของหมดกำไรบางชิ้นสามารถนำมาแช่น้าเพื่อทาเป็นน้ำมนต์ได้เพราะเจ้าของเดิม เขาสร้างให้มีพลังทางพุทธคุณกันอยู่แล้วหรือล้างคนใส่ได้ด้วยซ้ำนับตั้งแต่ถูกเตือนมาหลวงพี่ละยนกำไลใส่ถุ่น้ำมนต์ไปเสียสองสอันแถมบางครั้งได้เพิ่มจากตลาดค้าของเก่าหรือญาติโยมออกมาถาวายกำไลสัำลิศที่ว่านี้เป็นของเก่าแก่ที่มกักขุดค้นเจอในพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคอีสานในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในราว 2,500 ปีมาแล้ว ที่เรียกว่าสมัยสำริดซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นเครื่องรางในการขับไล่วิญญาณร้ายซึ่งนิยมใส่กันตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาแต่กําไลสำริดที่พระอาจารย์มีนั้นน่าจะเป็นศิลปะในยุคตวันรบดีมากกว่าซึ่งดูจากสภาพแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะเอามาใส่ข้อมือคนด้วยซ้ําความสงสัยนี้ไม่เพียงแต่เกิดกับบรรยายยาดาญาติโยมที่เห็นกําไลเท่านั้นแม้แต่พระกับหลวงพี่เอง ก็สงสัยท่านหลุดปากออกไปวันหนึ่งว่าอุ๊ยท่านดูสิใหญ่ขนาดนี้สงสัยเอาไปใส่ข้อเท้าละมั้งผมว่าใส่ข้อมือคงไม่ไหวถ้าบอกว่าเอาทำเป็นตรวละผมเชื่อซึ่งในคืนเดียวกันนี้เองหลวงพี่ที่โดยปกติแล้วจะเจริญสติก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกครั้งแต่ท่านก็ไม่เคยฝันเลยมาคืนนั้นท่านฝันว่ามีชายผิวดาแดง รูปร่างสูงใหญ่ใส่เครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ตามที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องทรงของเจ้าในสมัยทวารวดีท้นบนเปลือยคาดสังวานท่อนแขนประดับด้วยเครื่องประดับมีมูลค่าแต่สะดุดตาคือสิ่งที่มีลักษณะค้ายกําไรสมำิีที่ท่านได้มาจากโยมคนหนึ่งเป็นกําไรอันเดียวกับที่เพื่อนของท่านพูดติตลกไปเมื่อกลางวันว่าเอาไว้ทําตรวนซึ่งในภาพฝันมันติดอยู่กับแขนท้นบน ชายคนในฝันนั้นก็อถอดมันออกมาจากแขนและยื่นในพร้อมพูดว่าท่านเราขอถวายสิ่งนี้จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปวันรุ่งขึ้นท่านเล่าความฝันให้กับสหายฟังพระท่านถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วเล่า ว, ว่าตนเองก็ฝันถึงชายคนดังกล่าวเช่นกันแต่สําหรับตนนั้นชายคนดังกล่าวกลับยืนพนมมื อ, อยงหน้าและชี้ไปที่แขนท้นบ น, น, บนกล่าวว่าท่านขอรับ สิ่งนี้คือกําไรถ่วงแขนเป็นสําำลิดใส่เอากําลังหาใช่ตรวนดังที่ท่านกล่าวไม่พูดเสร็จก็หายไปกําไรโบราณที่หลวงพี่ได้มาบางครั้งท่านก็เดินในตลาดพระตลาดของเก่าเจอก็ซื้อมาไว้ด้วยเพราะตนเองชอบในศิลปะอยู่แล้วแต่ไม่ได้พยายามเสาะแสวงหาให้ได้มาแต่อย่างไดหลายครั้งที่คนขายเล่าว่าคนที่เอามาปล่อยต่อ น, นั้นไม่สามารถครอบครองไว้ได้เองจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้าย ทำได้เพียงผลักให้ของชิ้นนี้พ้นไปเสียจากชีวิตแม้แต่หลวงพี่เองก็ยอมรับว่าเคยฝันประหลาดเกี่ยวกับวัตถุบโบราณเช่นกันบางครั้งท่านก็ไม่ต้องไปไหนกันมีคนเอามาถวายให้ที่วัดเพราะเมื่อเก็บไว้เองก็มีแต่เรื่องซวยเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งที่ญาติโยมเอาของเก่ามาถวายไม่ใช่แก่กาไรสำลิดบางครั้งมีเครื่องดินเผาโบราณ ตู้พระเก่าๆหรือแม้แต่พระพุทธรูปโบราณจนท่านพูดติดตลกว่าไม่ใช่อัตมามากลายเป็นรับของโจรนะโยมถึงกระนั้นท่านก็กอบเอาของพวกนั้นมารวมรวมแล้วสวดมนต์อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับเจ้าของเดิมด้วยประสบการณ์ท่านเล่าว่าของโบราณในบางครั้งเจ้าของเขาหวงในบ่ายวันหนึ่งที่ท่านสวดมนต์อุทิศ ส, ส่วนกุศลอยู่เมื่อจบบทก็มีเสียงระเบิดปังดังลั่น เล่นอ้พระลูกวัดทุกลูกกลูเข้ามาที่กุฎท่านด้วยความตกใจหนึ่งในพระลูกวัดเล่าอย่างขนพองว่าท่านบังเอิญละสายตาจากการท่องบาลีและมองลอดหน้าต่างมาที่กุฎหลวงพี่พอดีเห็นลำแสงพุ่งตัดแสงอาทิตย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าขนาดเดียวกับที่มีเสียงระเบิดในภายหลังผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนได้รับคาตอบว่าวิญญาณที่บุ๋มัดกับสิ่งของเหล่านี้ ถูกปลดปล่อยด้วยแรงจิตแห่งศักยบุญจงมีเสียงระเบิดขึ้นคล้ายกับว่าพวกเขาถูกจองจำไว้นานด้วยความปรารถนาของต้นแต่ผู้แกะพันธนาการจนสําเร็จคือพระที่ส่งจิตแผ่เมตตาไปให้หลวงพี่เล่าไปถึงเรื่องของวัดกุดดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าครั้งหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผู้คนพากันขุดกลุ่หาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ที่หนึ่งก็คือวัดกุดดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่า สมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแทงที่ได้มาพอเช้าทุกอย่างก็เงียบสงบเป็นไปเช่นนี้จนกระทั่งเจอสมบัติสมบัติที่ว่ากลับทำให้ทีมขุดซึ่งนำโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งถึงกับมองหน้ากันเลิกหลักเพราะสิ่งที่ได้มาคือพระเครื่องทองคำ เพียงสีห่หองค์กับไหเซรามิกขนาดใหญ่ที่ปากไห้เล็กแต่ท้องไหกลับเป่งออกมาอย่างไม่สมส่วนทีมขุดจึงจัดการทุบไห้สามสอันออกเสียหมดเมื่อหไหใบสุดท้ายแตกออกมีเสียงระเบิดตูมใหญ่จนหลายคนนึกว่าเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่บริเวณก็ถึงกับผลพองสยองกล้าวเนื่องจากเห็นลำแสงประหลาดพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงบริเวณที่ค้นพบไหและพักเครื่องในขนาดที่ผู้ล้อมวงทุบไหกลับไม่เห็นหรือได้ยินอะไรเลยสิ่งที่อยู่ในไห มีเพียงกะโหลกศีรษะของคนสี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกะโหลกที่ใหญ่กว่าปากไหตเข้าไปอยู่ในนั้นได้ กล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูป ก, ก็ไม่น่าใช่เพราะกระดูกน่าจะปนเป็นเท่ามันนาไข่ดังกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรมวิธีการผลิตเล่ากันว่านอกจากไข่และพระเครื่องยังค้นพบแผ่นจารึกเล็กๆที่ใครหลายคนทึกทักเอาว่าเป็นใบเสมาแต่กับสลักคําแช่งลักษณะที่ว่าหากมันผู้ใดบังอาจนําสมบัติที่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวจะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากที่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นําทีมจึงเอาไปเพียงพระเครื่องทองคา ส่วนสิ่งที่เหลือก็ทำลายฝังจมไวเนื่องจากไม่มีมูลค่าใดๆเล่ากันว่าหลังจากนั้นทีมขุดก็ประสบกับปัญหาชีวิตบ้างก็ฆ่าตัวตายบ้างครอบครัวแตกสและขาดร่มจนเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายที่เชื่อกันว่าเป็นนาถันก็คือผู้นำทีมขุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนม้านั่งริมทางรถไฟแห่งหนึ่งณประเทศในแถบยุโรป หลวงพี่เมตตาให้ความรู้ในการที่คนหนึ่งจะสละตนเฝ้าสมบัติเขาจะต้องทำจิตให้หวงของเหล่านี้ปาวารณาตนว่าจะเฝ้ามันไม่ชั่วการและทำหน้าที่ในการย้ายสมบัติเมื่อมีใครละโมบขุดค้นจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีกำผูกพันกับสมบัติดังกล่าวจึงจะมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่า ว, ว่าบางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกลุสมบัติก็ได้ยินเสียงคลึกยาวในตลอดกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่าง พอบางครั้งในการขุดสมบัติเมื่อมีวีแววว่าจะพบแล้วเขาก็ทำสัญลักษณ์ล้อมเอาไว้แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่ฟ้อสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นก็จะทำการปาดคอตอนเอง ให้เลือดหลังรุดสมบัติที่ฝังไว้คนที่เหลือจึงจัดการทำพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอ่านองค์การแช่งตามลำดับขั้นตอนเรื่องปู่โสมเห็นที่ต้องจบลงเพียงเท่านี้ซึ่งเรื่องของวิญญาณหวงของอาจจะต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังทีเรื่องคือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับสีพึ่งมาให้หลวงพี่ดูเขาเล่าว่าทุกคืนตั้งแต่ซื้อตลับสีพึ่งมาจากร้านของเก่าคนในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เดินไปมาในบ้านหนักเข้าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวของย้ายที่ได้เองบ้างบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังในบ้านคนที่ซื้อตลับสีพึ่งมาทนไม่ไหวจึงพามาให้หลวงพี่ช่วยแก้ปัญหาให้หลวงพี่เล่าว่า เท่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยมยโมอีกคนขอไปดูบ้างก็ควักกล่องส่องพระออกจากกระเป๋าแล้วส่งดูรายละเอียดเนื่องจากพวกเขาชอบของเก่าเหมือนกันแต่กับพงะ์เมื่อเห็นหยดเลือดแห้งกลางติดอยู่บริเวณซ่อของตหลับมายืนให้หลวงพี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดเสียมตาแห้ง จย่จริงโยมที่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัดสินใจถวายไว้ที่วัดโดยทันทีเพื่อให้หลวงพี่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าที่ยังคงห่วงของตัวเองอยู่หลวงพี่ได้แต่สายหัวและบนให้ฟังว่าตอนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้วมีผีก็ไม่พ้นพระต้องแก้ให้ทุกที